อันธมยังทวัติงสากรปปารปาทังพนามเสนอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละอุทังปาทตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามาธกา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตาจะปริยันโตมีนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนานปาปการราอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆาอาทิมัสมิงกาเยมีอยู่ในกายนี้ เกาคือผมทั้งหลายโลมาคือขนทั้งหลายนาคาคือเล็บทั้งหลายทันตาคือฟันทั้งหลายตะโจนังมังสังเนือ้อนาหารูเอ็นทั้งหลาย อาทิกระดูกทั้งหลายอาทิมินชังเยื่อในกระดูกวากังมามหาท่ายังหัวใจยากานั่งตับกิโลมาก ง, งพังผืดปีหากังไตปาพาสร้างปอด อันตังไซใหญ่อันตาคุนางสายรัสไ้อุทาริยัางอาหารใหม่การีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเซมหังน้ำสาเลตปุโภน้ำเหลืองโลหิตัง น้ำเลือดเซโทน so ้ำเงือเมโทน้ำมันคนอาจสูน้ำตาวานา้ำมันเลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำมันไขข้อ มูดตังน้ำมุดมัตตาเกมัทตารุงคังเยื่อในสมองเอวามะยังมีกายโยกายของเรานี้อย่างนี้อุดทางปาทะตาลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา อาโทเกสามถกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจับปริยันโตมีนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปุโรนาณปการาสอสุจิโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอย่างนี้แล